อาตอมาจะขอถวายพระพรในเจริถกเคประการที่พระมหาบพิตรมีพระราชประสงค์แต่ว่าเวลาการที่เล่นข้ามาตมาท่้นไม่ได้บรรลิกเสียงถาวายตอนนี้ก็เพราะว่าคอไม่ดีพูดเสียงไม่ออกไม่สามารถจะบรรทิกได้เป็นมีนาลา น, นานมาในโอกาสนี้ เพงพอจะใช้ได้บ้างแต่ก็ยังไม่ ป, ป, ปกติถ้าเมื่าสมควรจะมันทิศถวายได้แล้วจึงมันทิศถวายมาสหนักจริปกในตอนนี้ต่อมาจะขอปรารูเรื่องราชาจริตที่พระมหาบพิตรเคยตรัสว่าบางคนเขาเข้าใจว่าตัวเขาเองไม่มีราชาจริตความจริงคําว่าราชาจริต ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นผู้คไ่ในตามารมณ์เสมอไปทั้งนี้จะมาดว่าบุคคลใดก็ตามยังมีความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอุตรอยตามสัมผัสเป็นที่พอใจอย่างนี้เป็นต้นก็ชื่อว่าบุคคลเป็นผู้มีราคะจริต <c oughs> คำว่าราคาใจหมายท่าการรักสวยรักงามเป็นต้นไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้มักมากในตามารมนีคนส่วนใหญ่ถ้ากล่าวคือว่ า, วาราคาใจมักจะมีความเข้าใจว่าตนเองจะเป็นผู้มักมากในตามารมจรึงจัดว่าเป็นราคาจิจความเห็นเช่นนี้ยังมีการพลาดจากความจริงไปมาก ก็เป็นเห remember, ีุให้บุคคลนั้นมีความประมาทคิดว่าตนเป็นผู้ไม่มีราคะดังนั้นในการที่พระมหาวิปิตรองมีพระราชประสงค์ต้องการย้ายมันทึกเจาะพระจริญต่อจริตหรือว่าจริญหนึ่งต่อหนึ่งเทปตมาเห็นชอบด้วยสำหรับราคะเจริตนี้เป็นอันว่าพอจะเข้าใจได้ เมื่อคนใดก็ตามถึงแม้ว่าไม่มีความรู้สึกทางเพศถ้ายังมีความต้องการรูปสวยภาจะนาสวยดอกไม้มีลักษณะสวยอย่างนี้เป็นต้นก็ <c oughs> จะงชื่อว่ามีราคะในบรการหนึ่งอารมณ์ใดที่ปรากฏว่าอารมณ์นี้อยู่ในความพอใจในกามารมณ์ อารมณ์นั้นยังจะถือว่าเป็นผู้ไม่มีราคะจริตไม่ได้ต้องาศัยการสัมผัสเป็นสาคัญแต่ความสัมผัสจากการยั่วยเอาทาให้เกิดขึ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้มีอารมณ์ด้านจักรามารมณ์จริงๆอย่างนี้จึงจะใช้ได้สำหรับทัานี่มีอารมณ์ด้านจักรามารมณ์โดมอนันไหของธรรมะ ก็จะต้องมีข้อเปรียบเทียบอีกข้อนึงมันก็คือไม่มีอารมณ์โทสะเข้ามาเจริญลเล <c oughs> มื่อคนที่ไม่มีราคะจริตจริงๆตัดความรู้สึกในเพศได้จริงๆก็ต้องตัดโทสะร่วมกันได้ด้วยทั้งนี้เพราะว่าเป็นองค์ของพระอนาคามีนี่ต่อไปนี้ตั้งมาจะขอปราบเรื่องราคะจริต ที่องค์สมเด็จพระธรมสามิตรได้ทรงตรัสเมื่อมีกรรมฐานสิบเอ็ดอย่างควบคู่กันเป็นผู้เข้าทำลายลึกละพหันราชาจริตสำหรับกรรมฐานสิบเอดอย่างนั้นอาตมาจะขอย่อลงมาเหลือเป็นสองคือหนึ่งกายกตานุสติการพิจารณากายว่ามีแต่การสามทิสอง เอื้อผขมคนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นแลทุกส่วนของร่างกายองค์สมเด็จพระจอมไทยให้พิจารณาว่าเป็นบรความสกปรกทาให้เห็นสกปรกเป็นขอน่าเกลียดอย่างนี้เป็นลักษณะของอสุปกรรมฐานอิสิบอย่างอาตมาจะไม่ทำแนกแต่ใดอย่างได้ขอถวายพระพรแบบรูวบท่านี้พราะว่าพระมหาวพิธทรงมี ความเข้าทยดีแล้วในเรื่องนี้แต่ว่าพระมหาบาพิตรทรงมีความสงสัยก็แคลนใจในด้าการพิจารณากายว่าจะทำอย่างไงจึงจะเห็นว่ารา่างกายสกปรกนี่เป็นส่วนที่มหาบาพิตทรงมีความสงสัยมากแล้วก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยไม่ได้ ที่ราองคมีพระราชาดำรัดตรัสสั่งว่าหรือว่าจริตของผมจะไม่ตรงกันอันนี้จะมาก็ขอถวายพระพรว่าข้อนี้เป็นความจริงเรื่องการที่จะทำลายนิอนตัวใดตัวหนึ่งก็ดีมุ่อจะทำลายกีเลตจุดใดจุดหนึ่งก็ดีซึ่งเป็นจุดใหญ่อันนี้องค์ทรงได้ประชอมตรายบรมศาสดาหให้มุ่งจริตเป็นสาคัญ อย่างบุคคลผู้มีพุทธาจริตเป็นบุคคลที่มีความฉลาดมากจน อ, อ, อย่างนี้แตา ม, มาเคยประสบมาในสมัยที่เคยฝึกร่วมกันว่าเขาผู้นั้นไม่สามารถจะเจริญในอสุ ป, ปรกรรมฐานได้และไม่สามารถที่จะเจริญในกายยกาตานุสติได้ทั้งนี้เพราะว่า ว่าเด็กตักคุณหลวงพ่อปานวัดบ <c oughs> ้านโคเคยเตือนท่านพวกนั้นว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะไปพิจารณาสุปกรรมฐา น, นนี่ก็เพราะว่าจริตของเธอไม่เหมาะสมสำหรับพระมหาบพิตรก็เช่เดียวกันอาตมาพิจารณาแล้วเห็นว่าพระมหาบพิตรมีพระจริตประเดนด้านพุทธจริตเป็นสําคัญ นั่นนอกจากนั้นก็มีศรัทธาจริญเจียพนพอสมอยู่ที่มีกําลังมากหากว่าจะมาพิจารณาในด้านอสุขกรรมฐานและกายัคตานุสติกรรมฐานย่อมจะเห็นยากหากว่าจะทรงตรัสถามว่าถ้าไม่สามารถจะใช้อสุขกรรมฐานกับกายยัคตานุสติกรรมฐาน อย่างนี้อารมณ์สมาธิจะมีผลไหมอาตมาก็ต้องกองขอถวายพระพราะสมาธิมีผลแน่ไปตามสายของโลกิยะชานแต่นเมื่ออารมณ์สมาธิจะก้าวเข้าสู่โลกุตระชานไม่ขันจะโสนนามัน ก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้กายะตะตาลสคติกรรมฐานและสุภกรรมฐานเป็นกําลังใหญ่ตอนเมื่อกําลังใจเข้าก็ก้าวก็ไปสู่สติทาคามีตอนนี้กายะตะตาลสคติกรมกรมฐานกายสุภกรรมฐานเริ่มมีบทบาทเล็กน้อยพอสมควรไม่มากนักถ้ากาลังจิตก้าวก็สู่พระอนาค า, ามีมัต <c oughs> ตอนนี้มีความสำคัญต้องใช้กายกตาุกติราสุปกรมถานเป็นกำลังใหญ่ควบคู่กับพรหมีหารสี่ตอนนี้ก็เพราะว่าพระ อ, อนาคามีจำต้องตัดราคะคือความกาหนัดยินดีในเพศนัะปฏิฆะอารมณ์กระทบกระทั่งแห่งจิตตอนนี้พระมหาวิจจะทรงตรัสถามว่าถ้าไม่ฝึกฝนแล้วบัาน ราคะจะหลุดไ ป, ปแล้วคือไม่จะเริญนสุกรรมถานกับกายจิตตาหนุ่งปฏิกรรมฐานไปในตอนต้นมุคคนที่จะก้าวเข้าสู่เป็นพระอ น, นาคามีจะมิไม่มีผลหรือั้งนี้ทธรมาภาพก็ต้ถวายพระพรื่อการเวลาเป็นเรื่องสำคัญเมื่อการนำอารมณ์จิตเข้าก้าวเข้าสู่ในความเป็นรสนดาบัน ย่อมมีกำลังมากกับชันโลกีเพื่อรมทรงตัวนี่ตอนที่จิตยี่เก้าก็สู่พระสกิทาคามีย่อมเป็นของไม่อยากเมื่อเข้าทิ้งเก้าสู่เป็นพระสีคขาคามีมักในตอนนี้ก็ใช้อสุภกรรมฐานกับกายยกตะาษนสติกรรมฐานมากขึ้นอาศัยที่ชันเปชันโลกุตระเมียการทรงตัว จะทำลายความรู้สึกในเพศเปรตเล็กน้อยพอสมควรเมือ่อทรงความเป็นพระสกีธาคามีแล้วคนนี่มีจิตมีกำลังขช้นแข็งขึ้นการใจะใชอารมณ์ข้อประหาตประหารกามอารมณ์ด้วยการยึดตานุตติแล้วสุภกรรมฐานเป็นของไม่ยากอันนี้ข้อเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับนักเรียนที่ศึกษาเมาต่าชั้นอนุบาล เราขึ้นปถมปีที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าศึกษาตามระดับนี้จะรู้สึกว่าไม่หนักถ้าอยู่อยู่โตแล้วเรียนรักรู้สึกว่าจะหนักมากกว่าเมื่อคนที่มีความพยายามมีวิทยาอุตสาหะจริงๆก็สามารถทําได้สําหรับพระเจ้ากระบอกข้มหาบุพพ์ก็เช่นเดียวกันซึ่งทรงถมว่าจะทํำยังไง จริงเห็นว่าร่างกายสกปรกพิจารณาแล้วห็นว่าไม่สกปรกเหมือนกับเอามือไปหยิบของสกปรกมาแล้วก็มันล้างมันก็สะอาดไม่การพิจารณาแล้วาลาสุปกรรมฐานก็ดีในกายิกาตาดุสติกรรมฐานก็ดีองสมเด็จพระจินนาสีทรงประบรพ ก็ต้องพิจรารณากายของตนเองด้วยพิจรารณากายของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนอกจากตัวเองด้วยพิจารณาวาตถุท่ า, า, าต่างๆด้วยว่าเป็นสิ่งสกปรกที่พี่ทรงตัดว่าสมามุติว่าอามือไปหยิบอย่างอื่นมามันเป็นของสกปรกแล้วล้างเสียมันก็สะอาดในส่วนที่ิ ขอให้รมหาบอกพิษทรงพิจารณาว่าส่วนที่หยิบเป็นของสกปรกถ้ามันเป็นอะไรเป็นวัตถุธาตุหรือว่าเป็นร่างกายส่วนชิ้นส่วนของร่างกายของคนและสัตว์ถ้าเป็นวัตถุธาตุองสงเมเามากกด็จพระบรมโอรสาธิยเจ้ากล่าวว่านันธาตุาดินถ้ามันเป็นของแข็งธาตดินมีสภาวะสกปรกถ้าเป็นของเหลวก็จัดว่าเป็นธาตุน้ํา ก็สแสดงว่าน้ําสกรปรกมีนสมบูรณ์ธาตุดินกับธาตุน้ำเนี่ในร่างกายมีหรือเปล่ามีดินไหมหรือว่ามีน้ํำไหมเมื่อมาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้ําในร่างกายมีเมื่อส่วนใดที่มีความเข้มแข็งสิ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นธาตุดิน ถ้าส่วนใดเนขอ ง, งเหลวในร่างกายส่วนน้ําองมนั่นอง์สมเด็จพระจอมไตรเรียกว่าธาตุน้ํานี่มาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้ำในร่างกายของตนเองว่าธาตุน้ําส่วนไหนในร่างกายที่ไม่สกรปรกถ้าจะว่าน้ําลายออกมาเคล็ดถ้าจะวาน้ำลายออกม า, า, าน้าออาําลายในปากอมได้ แตว่าวาบวนออกมาแล้วทุกคนพากันรังเกยียจก็น้ํารายสกปรกก็ต้องถอยหลังถ้าไปพิจารณาน้ํำมีลายว่าเของอยู่ที่ไหนถ้าเป็นของอยู่ในร่างกายก็แสดงว่าส่วนของร่างกายมีความสกปรกถ้าย่สั่งน้ํามูกออกมาน้ํามูออกมาจากร่างกายแล้วก็พิจารณาว่าน้ํามูกทีส่สกปรกหรือสะอาด เมื่อวิจารณาไปแล้วก็เห็นว่าน้ำมูกสกปรกต้องถอยหลังคิดก็น้ำมูกที่มาจากไหนถ้าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไหลออกมาจากร่างกายผุกคนก็ทราบว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสกปรกอันนี้ก็ต้องถอยคิดว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอยู่ที่ไหนอันนี้พิจริาว่าอยู่ในร่างกาย นี่ส่วนย่อยแค่นี้ถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่าส่วนที่เป็นน้ำในร่างกายเป็นของสกปรกไม่ขอไม่สะอาดตอนนี้มาพิจรารณาธาตุดินว่าธาตุดินที่อยู่ในร่างกายเป็นของสกปรกหรือว่าของสะอาดคนถอยหลังสัตว์ดีและร่างกายภายนอกส่วนที่มีความสัมพันธ์ทีสุดก็คือหนังกระพรา้า น้ำกพรา้าที่ปกติจะมีความเปรี้ยงเก่าอยู่แต่ต้าว่าอาศัยการซึมออกมาจากเนื้อเมือ่อเนื้อซึมออกมาจากร่างกายคนทุกคนก็จะต้องยอมรับว่าเวลานี้ร่างกายสกปรกแต่ว่าเมื่อร่างกายสกปรกมีความ เ, นเนหนียวเหนียวเหนอะไม่ด้เหนอทุกคนก็จะพากันอาบน้ํำไปเช็ดตัวชําระร่างกายให้สะอาด ความรู้สึกว่าสกปรกก็หายไปไม่มีความเข้าใจว่าร่างกายสะอาดถ้าห ว, ว่าการคชำระร่างครั้งเดียวสะอาดตลอดการก็ควรยอมรับว่าร่างกายสะอาดได้แต่ถ้าว่าก็ไม่สะอาดจริงเพรต้องอาศัยการชําระล้างร่างกายเป็นสาคัญจึงมีอาการเช่นนั้นถ้าร่างกายสะอาดจริงๆตั้งแต่เกิดมาจนวันตายก็ไม่ต้องชําระล้างร่างกาย มีการชำระ ร, ร่างกายมีการอาบน้ำมีการเช็ดตัวกันตามปกติเพเพราะว่าร่างกายเป็นขอสกปรกแต่ใส่ความเคยชินของจิตจึงไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้สกปรกมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามันก็ร่างกายมีส้สะอาดได้ความจริงกันพิจารณาว่าร่างกายสกปรกหรือร่างกายสะอาด นี่ต้องค่อยค่อยทำไปตามกำลังคำว่ากำลังอันนี้ธรรมมาก็จะยขอถาวายพระพรว่ากำลังของจิตมีความไม่สมนาเสมอกันถ้าจะใช้ในด้านของกำลังชานโลกีในตอนนี้พระมหาภพถ้าหากว่าทรงกำหนกตำราต่างๆ่ะรับฟังมาจากที่ไหนก็ตาม เขีนว่าบุคคลผู้ทรงฌานโลกียังมีคติแสมาธิไม่แน่นอนตรงนี้ก็หมายถึงว่ายังมีอาการขึ้นลงของจิตบางขณะจิตทรงฌานได้ดีบางขณะอารมณ์ของชายก็เสี่งตัวลงหาความทรงตัวแน่นอนไม่ได้ ทั้งนี้เพออราะอะไรก็เพราะว่าจิตของบุคคลผู้ทรงชันโลกยียังมีความไม่มั่นคงยังมีความโยกคยงจิตยังตกเป็นทาาของนิวรณ์ห้าประการคืออารมณ์ที่เป็นอกุศนลนอกจากนิวรณ์ห้าประการแล้วอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างอื่นก็ยังมีมากที่ยังมีอํานาจเหนือจิตฉะนั้นตามที่พระมหาบอกพิษทรงตรัส ว่าการพิจารณาแงกายเป็นของสกปรกนี่กับผมเห็นจะทําไม่ได้เพราะว่าคุณจะไม่ใช่จริตของตนอันนี้ธรรมะเรขอรับรองเมื่อจริตของพรมาหาบอพิตไม่ตรงกับราคาจริตความจริงมีแต่ว่ากําลังของราคาจริตมีเป็นกําลังส่วนน้อยกําลังส่วนใหญ่เขาไม่มาหาบพิต มันก็คือพุทธจริตเป็นสำคัญแล้วก็มีศรัทธาจริตเป็นกำลังหลงใหญ่น้ำพระทัยก็ทรงตัว เ, เต็มเปีเ่ยมไม่ได้ธรรมวิหารสี่ถ้าการอย่างนี้มีกำลังใหญ่ย่อมไม่สามารถจะมองเห็นราคะจริตได้ง่ายนะแต่ก็เป็นผลดีเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญพุทธจริตก็ดี ศรัทธาจริตก็ดีกําลังพุทธิยารสี่ก็ดีเป็นเป็นกรรมฐานที่มีกําลังใหญ่และมีกุเพลิศลที่มีกําลังใหญ่ที่สามารถจะนํากําลังใจให้เข้าสู่ความเป็นอริยมรรคอริยผลได้โดยไม่ยากมีเป็นอันว่ากำลังของจิตของท่านที่จะพิจารณในด้านราคะจริต คือพิจารณาการยัตานุสติได้สุปกรรมฐานมีความสำคัญต้องวัดระดับจิตแต่ความจริงอัตมาก็ดีหนูดูเหมือนว่าอาจารย์องค์อื่นก็จะมีหลายองค์เหมือนกันที่เทศสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมีเขียนบนรบรดาหลักปรารากันออกมาก็มักจะบอกว่าให้ทำลายอารมณ์ราคาจะจริตให้หมดไป ในอันดับของชานด้วยการพูดแบบนี้ก็ทํามมาแลวการเขียนก็ตามตอนที่พระมหาวพิษทรงตัดว่าเป็นของยากเป็นปัจจัยธรมามีความรู้สึกตัวว่าการเขียนตำรายก็ดีการแนะนำบรรดาธนสิทธิยานุสิกก็ดีผิดจากพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า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 คำว่าเตืองก็หมายความถึงว่าโรงองทรงตัดว่าเข้าใจได้ยาก <c oughs> เป็นการตัดในยากในการที่จะตัดราคะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องหมายถึงว่าถ้าเป็นกำลังชาญโลกีเขาตัดแคเพียงแค่นี้ <c oughs> คนที่ปฏิบัติเพียงแค่ชานโลกีจะเห็นว่ายังมีการสมสู่อยู่ระหว่างสามีภัญญา <c oughs> ยังมีความรักในเพศ ยังมีความกดคิดจักระหัสหารบุคคลเองยังมีความหลงในความต้องการต่างๆในด้านวัตถุระบบคลเป็นอันว่าคนในระดับชั้นได้ขั้นฌานโลกีไม่อยู่ในเกณฑ์ตัดอะไรได้ทั้งหมดคําว่าตัดอารมณ์ยังไม่มีเลยสําหรับบุคคลผู้ทรงฌานประเภทนี้นิชฌานโลกีเป็นนักเกียงระ ง, งับอารมณ์ได้เล็กน้อยเท่านั้น ถ้าจะปฏิบัติในด้านชา ล, ลกีนราคาจริคือใช้กายกาตาัตต า, านุสติกเอาสุภกรรมฐานเอาตามที่ปฏิบัติกันมาถ้า๋ยวว่าเพื่อไปตามธรรมาก็เป็นของยากก็มองเห็นได้ยากตามที่ปฏิบัติกันมาจริงๆต้องถอยหลังใน ว่าการก้าวเลยไป น, น, นานๆอาจจะลืมหลังได้แต่ท่นี้ก็ต้องขอขอบพระมหารุณาธิคุณที่พระมหาบ พ, พิษ ท, ทรงติ่งมาให้เข้าใจมีความรู้สึกตัวเื่าถอยหลังลงไปในอดีตขณะที่ปฏิบัติกันอยู่ในขั้นธรรมฐานเบื้องตนอันนี้จะมีความรู้สึกตนอยู่ว่า ทรงอารมณ์ดีอยู่ในด้านเ่านักที่คุมจิตเป็นสมาธิเท่านั้นด้วความจริงในเวลาที่ทรงสมาธิจริงๆบางครั้งก็ไม่มีอะไรเป็นผลหรือ ว, ว่ามีผลม้างก็เล็กน้อยเท่านั้นเครื่องร่มอาจจะสร้างไปสู่หาความสวยสดงดงามตามรล้า ว, วางเพลสีสันวรณณะของวัตถุด้วยความรักในวัตถุ ในสูทรงของวัตถุในสีสั น, นของวัตถุในกลิ่นของวัตถุ ก, ก็ตามดูแม้ว่าจะไม่ใช่คนรู้สักก็จัดว่าเป็นราคะจริงนี่ในบางครั้งที่ทรงชันโลกีเวลานั่งกินเหล็นยังเข้าสิงใจได้ง่ายเป็นของไม่อยากบางคราวขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิทรงได้ดี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 บุคคลที่โซนจิตในด้านชาลโลกูกีไม่มีอะไรดีจริงๆหาความดีที่เพียงแท้แน่นอนไม่ได้เยียคุมอรมได้ไม่พอใจในรูปเสียงเปลี่นรถวิรัรับไม่ใช่ไม่พอใจหยุดไปเฉยๆยเหมือนกับเครื่องจักคนที่กำลังวิ่งอยู่รถที่กาลังวิ่งอยู่แต่อยู่ๆก็ถอดก็เหยียบเบรกกดไว้เฉยเฉย เรื่องอยังเดินแต่ไม่กล่าวิ่งข้อ น, นี้ก็เปรียบเทียบได้กับคนที่กําลังทรงจิตอยู่ในฌานโลกีหรือขั้นเป็นโสดาสกิทาคาแต่สามประเภทนี้ยังไม่สามารถจะตัดอารมณ์ของราคะจริตได้ก็ยังอยู่แนวหน้ า, นนาของราคะจริตแต่ว่ามีอารมณ์จิตยับยั้งต่ํามขั้นสําหรับท่านที่ทรงฌานโลกี ก็จะพึงยับยังได้แต่ช่วขณะที่ทรงจิตเป็นสมาธิเท่านั้นเมื่อจิตไม่ทรงสมาธิก็สามารถจะละเมิดภรมิจารีได้หมายความว่ามีความเกลอยดตัวในกามอารมณ์ดีไม่ดีก็ทําการเมตสุวิชชาจรก็อย่างได้เพราะท่านผู้ทรงชานลกีจริงจริงก็ยังไม่มีอารมณ์สามารถจะคุมศิ่ได้เป็นปกติ ฉะนั้นอารมณ์จิตของท่านบปรดทรงชานโลกีจริงๆยังมีอาการขึ้นลงอยู่มากยังไม่มีการทรงตัวหากว่าจะพิจารณาในขั้นชานโลกีตามมีองค์สมเด็จพระจินทร์สีทรงตรัสพิจารณาถอยหลังในได้การปฏิบัติก็เพียงให้มีการฝึกจิตับยังว่าเวลานี้ เราจะหยุดความพอใจในรูปเสียงผิ่นรสสัมผัส ย, ยับยังอารมณ์ความใคร่ในกา ม, มารมณ์เสียโชคราวค่มใจยังไม่ไดตัดใจไม่ได้เพียงค่มใจเข้าไว้พิจารณาหาความจริงถึงแค่ในความลำบากลําบากสักหน่อยหมายความว่าทิฏฐิร่างกายเป็นของไม่ดีร่างกายเป็นของสกปรกจะเปรียบเทียบกับสุภกรรมฐาน